นี่ละดุนนันไดเชืยอเท้าเท่าเราให้ทานร้อยผลพันผลอานิสงส์ไม่เท่าเรานั่งสมาธิผลเดียวมีพระอานิสงส์มากนี่หละอาคเนตทำบุญทำกุศลสร้างคุณงามความดีนี่หละบัานเงินของเรา ข, ราขายันเป็นสุขอาศัยพุทธศาสนาศาสนาคือคำสั่งสอน สอนอะไรสอนตายสอนใจของเราและความชั่วขูเราทุก ข, เก ข, เก ข, ขเ์เรายากเราลำบากลำคาดเราอดเรายอนนี่หละในธรรมคุณงามความดีทำกายทำวาจาจงใจเรามีความสุข ค, ความเจริญนี้หละในธรรมะทสสนนำสัมสอนในนามมาสมาสแจงแสดงในธรรมจักตะโกวะมันสูตรสรุปแล้ว คือใจกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธสารนามเป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลเป็นที่ตั้งแห่งความพความเจริญเมื่อทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วโยนิโศมอรสิการตากันกำหนดจดเวลานําไปประพฤติปฏิบัติปึกผันนตนตนเป็นการทำตำสอนแต่นี่ต่อไปในผลที่สูดจะประมารทรมติดความมิตรมอด เมื่อท่านทังหลายไม่มีความประมาทแล้วจะประสบกับแต่ความทุกข์ความเจริญดังรศแสดกมาเอวังตมีด้วยคาละสนียอ้าวตอนนี้รับพรรชา่ไหมตอนยะท้าวเรวังนะภราปาริภูเรนจิตตโตจินานั เปตานุกขปาติสังันตังบุญิเมวสิโตสเปปเรนโตสังกนูนยธรรมานโสจุทาสเเตโลกาสเปเตยาเเตอันตรายาสเุว สัพเพเตโทนิมิตาสัพเพเตอตมัตราเปสัมถูอายวัตโกธนวัตโกสิวัตโกยวัตโวัตโกวันวัตโกสุวัตโกทุสเปธาสปิตโยวัชชนตุสัพโลกโกนสตุมาเตปะโทเประโย สุขีที่อายุโควาอภิวาธรรมสิสนิจัมุทภาพใจโนยตารุธรรมาวติอายุโนสุภา